ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งรสสาเรื่องทิดาของนายช่างหูข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในเจดีชื่อว่าอคาละวะทรงปรารพทิดาของนายช่างหูคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอันทภูตโตอายังโลโกเป็นต้นตอน คนเจริญมรณาสติไม่กลัวตายความพิสดารว่าวันหนึ่งพวกชาวเมืองอารวีเมื่อพระศาสศดาถึงเมืองอารวีแล้วได้ทูลนิมนต์ถวายทานแล้วพระศาสศดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาในเวลาเสร็จพัตกิจจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเจริญมรณาสติอย่างนี้ว่า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 เหมือนบุรุษเห็นอสารพิษแล้วกลัวฉะนั้นส่วนมรณะอันชนทั้งหลายใดเจริญแล้วชนทั้งหลายนั้นย่อมไม่สะดุ้งในการที่สุดดุจบุรุษเห็นอสารพิษแต่ไกลเทียวเห็นแล้วเอาท่อนไม้เขี่ยทิ้งไปยืนอยู่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นมรณะสติอันท่านทั้งหลายพึงเจริญตอน พระสัสดาสเสด็จประธานโอว่าทิดาช่างหูพวกชนที่เหลือฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วได้เป็นผู้ขวนขวายในกิจของตนอย่างเดียวส่วนทิดาของนายช่างหูอายุ16ปีคนหนึ่งคิดว่าโอธรรมดาถ้อยคำของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอัศจรรย์เราเจริญมรณสติจึงควรตังนี้แล้ว ก็เจริญมรณสติอย่างเดียวตลอดทั้งกลางคืนกลางวันฝ่ายพระสัสดาเสด็จออกจากเมืองอาลวีนั้นแล้วก็เสด็จไปพระเชตวันนงางกุมาริกาแม้นั้นก็เจริญมรณสติสิ้นสามปีทีเดียวต่อมาวันหนึ่งพระสัสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นนางกุมาริกานั้นเข้าไปในภายในข่าย คือพระยานของพระองค์ส่งใคร่ครวนว่าเหตุอะไรหนอจักมีทรงทราบว่านางกุมาริกานี้จเจริญมรณสติแล้วสิ้นสามปีตั้งแต่วันที่ฟังธรรมเทศนาของเราบัดนี้เราไปในที่นั้นแล้วถามปัญหาสี่ข้อกับ น, นางกุมาริกานี้เมื่อนางแก้ปัญหาอยู่ จักให้สาธุการในฐานะสี่แล้วภาษิตคาถานี้ในเวลาจบคาถานางกุมาริกานั้นจะตั้งอยู่ในโสดาปติผลเพราะอาศัยนางกุมาริกานั้นเทศนาจักมีประโยชน์แม้แก่มหาชนดังนี้แล้วมีภิกษุประมาณ500รูปเป็นบริวารได้เสด็จออกจากพระเชตวัน ไปสู่อาคาลวะวิหารโดยลำดับชาวเมืองอาลวีทราบว่าพระสัสดาเสด็จมาแล้วจึงไปวิหารทุนนี้หมดแล้วแม้นางกุมาริกานั้นทราบการเสด็จมาของพระสัสดามีใจยินดีว่าข่าวว่าพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าผู้พระบิดาผู้เป็นใหญ่ เป็นพระอาจารย์ผู้มีพักดังพระจันเพนของเราเสด็จมาแล้วจึงคิดว่าพระสัสดาผู้มีวันนะดังทองคำอันเราเคยเห็นในที่สุดสามปีแต่วันนี้บัดนี้เราจะได้เห็นพระสรีระซึ่งมีวันนะดังทองคำและฟังธรรมอันเป็นโอวาทซึ่งมีโอชะอันไพระจับใจของพระศัสดา ฝ่ายบิดาของนางเมื่อจะไปสู่โรงหูกได้สั่งไว้ว่าแม่ผ้าสาดกซึ่งเป็นของคนอื่นเรายกขึ้นไว้ผ้านั้นประมาณคืบหนึ่งยังไม่สำเร็จเราจะให้ผ้านั้นเสร็จในวันนี้เจ้ากรอได้หลอดแล้วพึงนำมาให้แก่พ่อโดยเร็วานางกุมาริกานั้นคิดว่า เราใคร่จะฟังธรรมของพระสัสดาก็บิดาสั่งเราไว้อย่างนี้เราจะฟังธรรมของพระสัสดาหรือหน่อแลหรือจะกรอได้หลอดแล้วนำไปให้แก่บิดาครั้งนั้นนางกุมาริกานั้นได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเมื่อเราไม่นำได้หลอดไปให้บิดาพึ่งโบยเราบ้างพึ่งตีเราบ้างเพราะฉะนั้น เรากรอได้หลอดให้แก่ท่านแล้วจึงจักฟังธรรมในภายหลังดังนี้แล้วจึงนั่งกรอได้หลอดอยู่บนตังแม้พวกชาวเมืองอารวีอังฆ่าพระศ า, าสดาแล้วได้รับบาดยืนอยู่เพื่อต้องการอนุโมทนาพระศาสดาประทับนิ่งแล้วด้วยทรงคิดว่าเราอาศัยกุลธิดาใดมาแล้วสิ้นทางส0สโยกุลธิดานั้น ไม่มีโอกาสแม้ในวันนี้เมื่อกุลธิดานั้นได้โอกาสแล้วเ่าจักทำอนุโมทนาก็ใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่อาจเพื่อจะทูลอะไรๆกับพระสัส ด, สดาผู้ทรงนิ่งอย่างนั้นได้แม้นางกูมาริกานั้นแลกรอได้หลอดแล้วใส่ในกระเช้าเดินไปสู่สำนักของบิดา ถึงที่สุดของบริษัทแล้วก็ได้เดินแลดูพระศาสดาไปแม้พระศาสดาก็ส่งเฉงอทอดพระเนตรนางกุมาริกานั้นถึงนางกุมาริกานั้นก็ได้ทราบแล้วโดยอาการที่พระศาสดาทอดพระเนตรเหมือนกันว่าพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในท่ามกลางบริษัทเห็นปานนั้นทอดพระเนตรเราอยู่ ย่อมทรงหวังการมาของเราย่อมทรงหวังการมาสู่สำนักของพระองค์ทีเดียวนางวางกระเช้าได้หลอดแล้วได้ไปยังสำนักของพระศาสดาถามว่าก็เพราะเหตุอะไรพระศาสดา จ, จึงทอดพระเนตรนางกูมาริกานั้นแก่ว่าได้ยินว่าพระองค์ได้ทรงปริวิตกอย่างนี้ว่านางกูมาริกานั้น เมื่อไปจากที่นี้ทํากาลกิริยาอย่างปุถุชนแล้วจะเป็นผู้มีคติไม่แน่นอนแต่มาสู่สํานักของเราแล้วไปอยู่บรรลุโสดาปฏิผลแล้วจะเป็นผู้มีคติแน่นอนเกิดในดุสิตวิมานในว่าในวันนั้นชื่อว่าความผลจากความตายไม่มีแก่นางกุมาริกานั้นนางกุมาริกานั้น เข้าไปเฝ้าพระศาสดาโดยเครื่องหมายอันพระศาสดาทอดพระเนตรนั่นแลเข้าไปสู่ระหว่างแห่งพระสมีมีวันนะหกถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่ควรข้างหนึ่งตอนพระศาสดาตรัสถามปัญหากับธิดาช่างหูในขณะที่นางกุมาริกานั้นถวายบังคมพระศาสดา ผู้ประทับนั่งนิ่งในท่ามกลางบริษัทเห็นป่านนั้นแล้วยืนอยู่นั่นแลพระศัสดาตรัสกันางว่ากุมาริกาเธอมาจากไหนกุมาริกาไม่ทราบพระเจ้าค่าพระศัสดาเธอจกไปณที่ไหนกุมาริกาไม่ทราบพระเจ้าค่าพระศัสดา เธอไม่ทราบหรือกุมาริกาทราบพระเจ้าค่าพระสัสดาเธอทราบหรือกุมาริกาไม่ทราบพระเจ้าค่าพระสัสดาตรัสถามปัญหาสข้อกับนางกุมาริกานั้นด้วยประการชนีมหาชนโผลทนาว่าผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดู ธิดาของช่างหูกนี้พูดคาอันตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเธอมาจากไหนธิดาของช่างหูกนี้ควรพูดว่าจากเรือนของช่างหูกเมื่อตรัสว่าเธอจะไปไหนก็ควรกล่าวว่าไปโรงของช่างหูกมิใช่หรือ พระสัสดาทรงกระทำ ม, มหาชนให้เงียบเสียงแล้วตรัสถามว่ากุมาริกาเธอเมื่อเรากล่าวว่ามาจากไหนเพราะเหตุอะไรเธอจึงตอบว่าไม่ทราบกุมาริกาพระเจ้าค่าพระองค์ย่อมทรงทราบความที่หม่อมฉันมาจากเรือนช่างหูแต่พระองค์เมื่อตรัสถามว่าเธอมาจากไหน ย่อมตรัสถามว่าเธอมาจากที่ไหนจึงเกิดแล้วในที่นี้แต่หม่อมฉันย่อมไม่ทราบว่าก็เรามาแล้วจากไหนจึงเกิดในที่นี้ลำดับนั้นประศัสดาประธานสาธุการเป็นครั้งแรกแก่นางกุมาริกานั้นว่าดีละดีละกุมาริกาปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแลอันเธอแก้ได้แล้ว แล้วตรัสถามแม้ข้อต่อไปว่าเธออันเราถามแล้วว่าเธอจกไปณที่ไหนเพราะเหตุอะไรจึงกล่าวว่าไม่ทราบกุมาริกาพระเจ้าค่าพระองค์ย่อมทรงทราบหม่อมฉันผู้ถือกระเช้าได้หลอดเดินไปยังโรงของช่างหูพระองค์ย่อมตรัสถามว่าก็เธอไปจากโลกนี้แล้วจะเกิดในที่ไหน ก็หมอมฉันจุติคือเคลื่อนจากโลกนี้แล้วย่อมไม่ทราบว่าจักไปเกิดในที่ไหนลำดับนั้นประศัสดาประธานสาธุการแก่นางเป็นครั้งที่สองว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแหละเธอแก้ได้แล้วแล้วตรัสถามแม้ข้อต่อไปว่าเมื่อเช่นนั้นเธออันเราถามว่าไม่ทราบหรือเพราะเหตุไร จึงกล่าววา่าซากูมาริกาพระเจ้าค่ะหม่อมฉันย่อมทราบภาวะคือความตายของหม่อมฉันเท่านั้นเหตุนั้นจึงกราบทูลอย่างนั้นลำดับนั้นพระศัส ด, สดาประทานสาธุการแก่นางเป็นครั้งที่สามว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นและเธอแก้ได้แล้วแล้วตรัสถามแม้ข้อต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น เธออันเราถามว่าเธอย่อมไม่ทราบหรือเพราะเหตุอะไรจึงพูดว่าไม่ทราบกูมาริกาหม่อมฉันย่อมทราบแต่ภาวะคือความตายของหม่อมฉันเท่านั้นพระเจ้าค่าแต่ย่อมไม่ทราบว่าจากตายในเวลากลางคืนกลางวันหรือเวลาเช้าเป็นต้นในการชื่โนโ้นเพราะเหตุนั้นจึงพูดอย่างนั้น ตอนคนมีปัญญาชื่อว่ามีจักษุลำดับนั้นพระศาสดาประธานสาธุการครั้งที่สี่เกณางว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแลเธอแก้ได้แล้วแล้วตรัสเตือนบริษัทว่าพวกท่านย่อมไม่ทราบถ้อยคำชื่อมีประมาณเท่านี้ที่นางกุมาริกานี้กล่าวแล้วย่อมโภนธนาอย่างเดียวเท่านั้น เพราะจักษุคือปัญญาของชนเหล่าใดไม่มีชนเหล่านั้นเป็นดุจคนบอดทีเดียวจักษุคือปัญญาของชนเหล่าใดมีอยู่ชนเหล่านั้นนั่นแลเป็นผู้มีจักษุดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอันทพูโตอยังโลโกตนะกิทธะวิปสติสกุโนจาลมุตโตวะ อโปโสกายะคชติสัตว์โลกนี้เป็นเหมือนคนบอดในโลกนี้น้อยคนจะเห็นแจ้งได้น้อยคนจะไปในสวรรค์เหมือนนกดุดแล้วจากข่ายมีน้อยฉะนั้นตอนแก้อัดเบรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าอยังโลโกความว่าโลกิยะมหาชนนี้ ชื่อว่าเป็นเหมือนคนบอดเพราะไม่มีจักษุคือปัญญาสองบทว่าตนุกเกถะความว่าชนในโลกนี้น้อยคนคือไม่มากจะเห็นแจ้งด้วยสามารถแห่งไตรลักษ์มีไม่เที่ยงเป็นตน้นบทว่าจาละมุตโตวะความว่าบรรดาฝูงนกกระจาบที่นายพรานนบผู้ฉลาดตลบด้วยข่าย จับเอาอยู่นกกระจาบบางตัวเท่านั้นย่อมหลุดจะขายได้ที่เหลือย่อมเข้าไปสู่ภายในขายทั้งนั้นฉันใดบรรดาสัตว์ที่ขายคือมารรวบไว้แล้วสัตว์เป็นนันมากย่อมมีปกติไปสู่อบายน้อยคนคือบางคนเท่านั้นไปในสวรรค์คือย่อมถึงสุขติหรือนิพานฉะ น, นั้น ในเวลาจบเทศนานางกุมาริกานั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนตอนที่ดาช่างหูกตายไปเกิดในดุสิตพบแม้นางกุมาริกานั้นได้ถือกระเช้าได้หลอดไปสู่สำนักของบิดาแล้วแม้บิดานั้นก็นั่งหลับแล้วเมื่อนางไม่กำหนดแล้ว น้อมกระเช้าได้หลอดเข้าไปอยู่กระเช้าได้หลอดกระทบที่สุดฟืมทําเสียงตกไปบิดานั้นตื่นขึ้นแล้วชุดที่สุดฟืมไปโดยนิมิต ท, ที่ตนจับเอาแล้วนั่นเองที่สุดฟืมไปประหารนางกุมาริกานั้นที่อกนางทํากาละนันที่นั้นนั่นเองบังเกิดแล้วในดุสิตพบลำดับนั้น บิดาของนางเมื่อแลดูนางได้เห็นนางมีสริระทั้งสิน้นเปื้อนด้วยโลหิตล้มลงตายแล้วลำดับนั้นความโศกใหญ่บังเกิดขึ้นแก่บิดานั้นเขาร้องไห้อยู่ด้วยคิดว่าผู้อื่นจะไม่สามารถเพื่อยังความโศกของเราให้ดับได้จึงไปสู่สำนักของพระศัสดากราบทูลเนื้อความนั้นแล้วกราบทูลว่า พระเจ้าข้าขอพระองค์จงยังความโศกของข้าพระองค์ให้ดับพระสัส ด, สดาทรงปลอบเขาแล้วตรัสว่าท่านอย่าโศกแล้วเพราะว่าน้ำตาของท่านอันไหลออกแล้วในการเป็นที่ตายแห่งทิดาของท่านด้วยอาการอย่างนี้นั่นแลในสงสารมีที่สุดที่ใครๆไม่รู้แล้วเป็นของยิ่งกว่าน้าแห่งมหาสมุทรทั้งสดังนี้แล จึงตรัสอนามาตตกกะสูตรเขามีความโศกเบาบางทูลขอบรรพชากับพระสัสดาได้อุปสมบทแล้วต่อการไม่นานเลยบรรลุพระอรหัสต์แล้วดังนี้แลเรื่องที่ดาของนายช่างหูจบ